วันนี้ได้อ่านบทสัมภาษณ์ของหลวงพ่อพยอมกาลยาโหนะพวกเราคงรู้จักดีท่านบอกว่าระยะหลังอกิจนิมนก็น้อยนะคนไม่ค่อยได้นิมนต์ท่านไปบรรยายเท่าไหร่ผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนก็มาสัมภาษณ์ท่านน้อยลงนะไม่เหมือนแต่ก่อนมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมานะนักข่าวก็จะมาสัมภาษณ์ท่าน แต่ก่อนกินนิมนต์ก็เยอะนะยิ่งเมื่อสักยี่สสาสิบปีที่แล้วนี่ยิ่กว่ากินนิมนต์ไม่ได้ขาดเลยเทปที่ท่านเทปคำบรรยายของท่านก็ขายดียิ่งกว่าเทปตลกอีกแต่มาถึงช่วงนีนะ้ก็ไม่ค่อยได้มีกิดนิมนต์มากเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นผลมาจากความเข้าใจนะ ที่ผู้คนเนี่ยมองว่าท่านเป็นพระเสื้อแดงความเกียิชังที่มีกับท่านนี่ก็ไม่น้อยเลยโดยเฉพาะช่วงที่มันเกิดความขัดแยง้งท้านเลาว่าบางวันไปบินธบาติเนี่ยก็มีโยมพูดว่าเนี่ยทำไมไม่ใส่จีวรสีแดงมาพูดในเชิงกระแนกกระแหน่แล้วก็ที่ท่านเสียใจนะก็คือ เพื่อนๆที่สวนโมกนะก็ไม่เข้าใจท่านอันนี้ท่านก็เล่านะเปิดเผยว่าเนี่ยเปิดเผยในที่อื่นนะว่าเนี่ยเป็นยุคนี้เป็นยุคที่เป็นช่วงที่ขาลงที่สุดนะในชีวิตของท่านอันที่ท่านเล่ามามันก็สะท้อนในดินโลกธรรมนะว่าสารเสริญกับดินทาของคู่กันบางยุคบางสมัยก็ได้รับคำสรรเสริญ แต่บางยุคบางสมัยก็ได้รับความติชินนินทาบางทีก็มีคนมาพูดให้ท่านได้ยินเลยนะว่าเกียดพระองค์นี้มากนะอันนี้ก็เป็นโลกธรรมนะแล้วก็ท่านก็บอกว่าถึงแม้เจอหนักๆแบบนี้แต่ว่าก็ถือคติว่ามารบ่มีนะ ามารไม่มีบารมีไม่เกิดมันต้องเจอมารนะบารมีถึงจะกล้าแข็งแล้วท่านก็พูดอตอนหนึ่งว่าช่วงเวลาที่มีความทุกข์ความเครียดเนี่ยท่านก็นึกถึงคาถาของหลวงพ่อพุทธทาสนะชื่อว่าคาถาตวาดความทุกนะข์คาทานี่สั้นมากนะก็คือว่า กูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์โวยนะคาถานี้ใช้ได้ดีมากกับตัวท่านเองนะจริงๆก็เป็นคาถาที่พวกเราก็น่าเอาไปใช้มัง้งนะเวลามีความทุกข์เนี่ยต้องตวาดความทุกข์มันกูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์โวยนะถ้าเกิดมาเพื่อเป็นทุกข์นี่มันก็โง่แล้วนะถ้าเราเกิดมาเพื่อเป็นทุกข์นี่ก็ถือว่าเราโงล่ละขาดทุนจริงอยู่นะ ความเกิดก็เป็นทุกข์นะความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์เรียกว่ามีความทุกข์ถูกทั้งอยู่เบื้องหน้าแล้วก็ความทุกข์ก็อย่างอยู่ในตัวเราอยู่แล้วนะอย่างที่เราสดทุกเช้าเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วแต่นั่นก็ไม่แปลว่าเราเกิดมาเพื่อเป็นทุกข์นะมีทุกข์ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นทุกข์ ว่าทุกข์เนี่ยไม่ได้มีไว้เป็นนะทุกข์มีไว้ให้เห็นบางทีเราก็ต้องนะตวาดบ้างนะตะวาดความทุกข์ตวาดใส่ความทุกข์นะจะตะวาดยังไงก็ได้นะแต่ก็ให้รู้ว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์นะเว้ยหรือว่าถ้าเราจะไม่ตวาดความทุกข์นะก็ลองตวาดใส่กิเลสดูบ้างนะกิเลสเนี่ย มันก็คือรากเง้าที่ทำให้เราทุกข์นะยิ่งมีกิเลสมากเท่าไหร่นะก็ยิ่งเป็นทุกข์ได้ง่ายมากเท่านั้นและที่เราทุกข์ก็เพราะปล่อยกิเลสครองใจเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากทุกข์เนี่ยก็ต้องตวาดนะใส่กิเลสบ้างนะไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อกิเลสหรือว่าจะตะวาดนะใส่จิตใจของเราก็ได้ในสายพุทธการก็มีพระเถระหลายท่านนะ เวลาท่านปฏิบัติแล้วก็มันติดขัดขึ้นมาเพราะว่าจิตใจนี่มันไม่ร่วมมือด้วยมันคิดแต่จะไปในทางอากุศลนะคิดแต่จะฟุ้งซ่านตล่อมแล้วตล่อมอีกมันก็ไม่ไปไม่ให้ความร่วมมือบางท่านนี้ท่านก็ตะหวาดใส่เลยนะอย่างท่านตาลปุตเถระนะท่านตาลปุตนี้ท่านก็ ตว่าใส่จิตนะจิตจอนี้ร้ายนักนเราจะไม่ยอมอยู่ในอำนาจของเจ้าต่อไปเมื่อเรามั่นคงเสร็จแล้วนี่เจ้าจะครองจิตครองเราหรือบังคับเราให้อยู่ในอำนาจไม่ได้ท่านก็ตว่าหนะไม่ยอมเชื่อแล้วปกติในสุดท่านก็สามารถที่จะทําให้จิตนีิเชื่องได้ แล้วก็ท่านบรรลุอรหัตผลในที่สุดจิตนี่บางครั้งนี่จะโอนอ่อนนะยินยอมก็ไม่ได้นะต้องตวาดมันซะบ้างนะท่านวิชิตเสนก็เหมือนกันนะนะท่านตวาดจิตนี่อย่างแรงเลยจิตผู้ชั่วช้านะผู้ดื้อด้านนะ ต่อไปนี้นะเจ้าจะท่องเที่ยวไปที่ไหนที่ไหนพอใจในะในอกุศลธรรมไม่ได้ต่อไปเราจะเอาสติผูกเจ้าไว้นะเราจะฝึกเจ้าให้อยู่ในอำนาจนะจะได้ไม่ไกลออกจากอารมณ์ภายในอีกต่อไปท่านเหล่านี้เนี่ยเดิมทีก็ท้อนะเพราะว่าใจไม่รวมมือจะปฏิบัติก็มีเกิดนิวร น, นะง่วงบ้าง เครียดบ้างฟุง้งบ้างเกิดการมาราคะบ้างแต่ว่าแทนที่ท่านจะยอมแพ้นะท่านกลับพึกสู้พูดดีๆนะมันไม่ร่วมมือก็ต้องตวาดใส่เลยบางทีเราก็ต้องทำอย่างนี้บ้างนะตะวาดนะตะวาดใส่จิตนะหรือว่าตวาดใส่ความทุกข์นะตะวาดใส่กิเลส ก, ก็ได้บางคนเนี่ยมีอัตตามากนะ ก็เคยมีชายหนุ่มคนนึ่งเขียนจดหมายมาถามทํำยังไงดีเขาเป็นคนที่มีอัตราสูงมากแล้วมันทําให้เขามีความทุกข์มากเลยเจออะไรมากระทบก็ไม่ได้มีความโกรธเขาก็รู้นะว่ามันไม่ดีแต่ไม่รู้จะทำยังไงนะก็เลยแนัดเข้าไปว่าเนี่ยนให้ตวดัดใส่ซะบ้างนะไอตัวอัตราเนี่ยหรือทําไห้ไม่กล้าตวัดเนี่ยก็ให้ ให้มองให้ระลึกให้ตระหนักว่าให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความทุกข์ของกิเลสอดี๋วไปเอามาอดี๋ยวไปเอามาเป็นความทุกข์ของเรามันเป็นความทุกข์ของกิเลสนะยิ่งมันถือตัวถือตนมาเท่าไหร่มันก็ยิ่งทุกข์นะเวลามีอะไรมากระทบก็ปล่อยให้มันทุกข์ไปนะให้มันทุกข์หนักกว่านี้ก็ได้มันจะได้เข็ดมันจะได้หลบับนะอย่าไปโง่ไปเอา ความทุกข์ของมันมาเป็นความทุกข์ของเรานะต้องทรมานมันบ้างนะถ้ามันถ้ามันถูกทรมานมันก็จะได้รู้จักเข็ดหลาบหรือหลาบจาบ้างมันดีคนเรานี่ก็โง่นะไปเอาความทุกข์ของกิเลสมาเป็นความทุกข์ของตัวเองปล่อยให้มันทุกไปก็ดูมันไปนะดูมันทุกไปดูมันดิ้นไปนะมันจะดิ้นเหมือนกับ ไสเดือนถูกคีดเท่านี้ก็ก็ปล่อยให้มันดิ้นไปอันนี้ไม่เฉพาะอัตตาที่อยากเด่นอยากดังนะบางทีความอยากก็มันก็ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาไม่ได้อย่างที่อยากนะเวลาเห็นหน้าตาของตัวเองไม่สะสวยอย่างที่ปรารถนาก็เห็นความไม่พอใจเกิดขึ้นเห็นความน้อยเนื้อตามใจเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าเนี่ยมันเป็นความทุกข์ของกินเลย นะอย่ไปหลงเอาความทุกข์ของมันมาเป็นความทุกข์ของเรานะปล่อยให้มันทุกข์ไปนะแล้วดูว่ามันจะทุกข์ไปได้กินน้ำํำนะอย่าไปไปร่วมมือกับมันนะอย่าไปเออเอ า, เอ า, เอ า, เอาหอหมกกับมันแล้วนะต้องฉลาดในการที่จะสู้กับมันบ้างนะในการที่จะชี้หน้าใส่มันบ้างหรือว่าหัวเราะเยาะนะหัวเราเยาะกิเลสหัวเราเยอะอัตตาหรือหัวเราะเยาะตัวเองก็ได้ นะเวลาทุกข์ขึ้นมาเพราะถูกต่อว่าเวลาทุกข์เพราะเห็นคนอื่นเขาได้ดิบได้ดีดดดเกิดความอิจฉาตาร้อนนะนั่นเป็นฝีมือกิเลสทั้งนั้นแหละนะอย่าไปอย่าไปหลงเอามาเป็นความทุกข์ของเรานะต้องสลัดมันไปมันทุกข์ก็ทุกข์ไปดูมันทุกข์นะเหมือนก็เราเห็นไส้เดือนนะ ดินพลาดพลาดอยู่ในขี้เท่าเนี่ยแต่ไม่ใช่เราเอาขี้เท่าไปาศาสตร์สายส่เดือนนะแต่ให้เห็นเป็นให้นึกให้จินตนาการว่ากิเลสเนี่ยเวลามันไม่มีไม่ได้รับการปนเปื้อนเนี่ยนะไม่ได้รับการปนเปื้อนหรือว่ามันมีถูกกระทบเนี่ยมันก็จะมีการอย่างนั้นแหละให้มันดิ้นไปนหัวเราเยอะมันด้วยก็ดีนะบางทีเราก็ต้องมีอารมณ์ขันนะ หัวเรายอดตัวเองม้างหัวเรายอดอัตตาบ้างเวลาทำอะไรผิดพลาดรู้สึกอับอายขายหน้าอย่าไปทุกมากนะบางคนบางครั้งคนเราก็ทำอะไรเปิลๆหรือว่าทำอะไรเรียกว่าเสียหน้านะมันก็ธรรมดาแต่ว่าพอทำอะไรผิดพลาดเกิดเสียหน้าขึ้นมาก็ทุกแล้วก็ให้รู้ว่าเนี่ยที่ทุกแี่มันกิเลสทุกนะมันเป็นัวงอัตตาที่มันทุกไม่ใช่ ของเรานะถ้าจะรักตัวนะจะรักตัวอย่างแท้จริงก็อย่าไปนะเอาความทุกข์ของกิเลสมาเป็นความทุกข์ของเราหรืออย่าปล่อยให้ความทุกข์มันมาครอบงําใจมีแต่คนที่รักตัวเองเท่านั้นที่จะกล้าตะวาดว่านะกูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์โวยนะคนที่จะตะวันนี่มันต้องเป็นคนที่รักตัวเองจริงๆนะเพราะว่าเกิดมาทั้งทีนะจะทุกข์ไปทําไม ไม่ได้เกิดมาเพื่อทุกพ่อแม่ให้กาเนิดเราเพื่อไม่ให้ไม่ใช่เพื่อให้เรามาทุกข์ไม่ใช่เพื่อไม่ให้เรากลุ้มอกกุ้มใจพ่อแม่ให้กําเนิดเรานะเพื่อจะให้เรามีความสุขให้เรามีความเจริญงอกงามนะให้เรามีพัฒนาการไม่ใช่เพื่อให้เรามาเป็น่าตของความทุกขนะ์ต้องกราดตวาดใส่มันบ้างนะหรือว่าจะมองในแง่นี้ก็ได้ว่า ทุกวันนี้เนี่ยเราก็ใกล้ความตายไปทุกทีเวลาของเราในโลกนี้มันเหลือน้อยลงไปทุกทีเราไม่มีเวลามากนะที่จะมาทุกนะจะตายวันนี้วันพุ่งแล้วนี้ยังมาเสียเวลาทุกอย่ามาเสียเวลากลุ่มอกกุ่มใจยังมาเสียเวลาอ่าน้อยเนื้อต่ําใจนะอันนี้มันก็โง่แท้ๆนะเวลาเหลือไม่มากแล้วนะเอาเวลานี้ไปอ่า ใช้เพื่อการทำความดีหรือว่าการขัดเกลาจิตใจให้เข้าถึงความสุขอันประณีดีกว่าถ้าเราปล่อยเวลาให้สูญไปกับความเศร้ากับความโกรธนะกับความรู้สึกผิดกับความาน้อยเนื้อต่ำใจหรืออาคาเพียบบาทเนี่ยนะมันโง่แล้วยิ่งเวลาเหลือน้อยแล้วยิ่งต้องใช้เวลาที่มีค่าเหล่านั้นเนี่ย ในการที่ทําให้ใจเราโปร่งเบาใจเราเป็นอิสระมากที่สุดให้รู้จักคิดแบบนี้บ้างนะไม่ใช่เอาแต่จมอยู่ในความทุกข์จมอยู่ในความเศร้านะสมมุติว่ามันเป็นเจ้านายเรานะมันก็แปลกนะหลายคนเวลาพูดถึงการปฏิบัติธรรมพูดถึงการทําําทาความเพียรหรือการภาวนาเนี่ยก็บอกไม่มีเวลาไม่มีเวลานะแต่ว่าดันมีเวลาทุก ดันมีเวลาโกรธนะแล้วก็เคยมีคนมาพูดกับหลวงพ่อไม่มีเวลาหนูไม่มีเวลาผมไม่มีเวลาปฏิบัติหลวงพ่อม เ, เขียนแล้วก็ถามว่าแล้วทําไมมีเวลาโกรธแล้วทำไมมีเวลาทุกขนะ์คนเรานี่ไม่ค่อยเฉลียวใจนะว่าเพียงแค่เราลองคิดอีกมุมหนึ่งนะมันจะรู้ว่าเ อ, อ้ที่เราทุกข์เนี่ยมันโงนะ่แล้วที่เราบอกว่าไม่มีเวลาเนี่ยมันก็โง่เหมือนกันนะเวลามีมากมาย เวลาจะทุกเวลาจะโกรดนี่โอยให้เวลากับมันนะเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนให้เวลากับความโกรธให้เวลากับความเศร้าให้เวลากับความโกรธความขับแค้นใจความทุกข์หัดมีสติเฉลียวอ่าดูบ้างนะว่าไอ้ที่ทำเนี่ยมันฉลาดหรืองโง่งัถ้าเราปล่อยกิเลสคลองใจนะมันก็อย่างนี้แหละ หลวงพ่อยามท่านยังพูดนะว่าเออเวลาท่านเครียดนะเวลาท่านเครียดเวลาท่านทุกเนี่ยก็หันมาดูหมาดูแมวหมาแมวนี่มันไม่เคยเครียดนะมันไม่เคยมันไม่เคยเป็นโรคประสาทไม่ไม่เคยนอนไม่หลับเลยนะให้เรานี่คนเรานี่กลับนอนไม่หลับกลับเครียดนะกลุ้ม อ, อกกุ้มใจถึงขั้นทำร้ายตัวเองอันนี้ก็เรียกว่าแย่นะหรือว่าโง่ยิ่งกว่าหมากับแมวสิก เราต้องฉลาดในการมองแบบนี้บ้างนะอย่าไปาไปมองนี้อย่าไปจมอยู่ในความทุกข์นะจงกระทั่งไม่รู้จักเพเยะนะหรือกลับมาเฉลียวใจใช่นะดีกว่านั้นเนก็ให้รู้จักมองว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยนะมันก็มีประโยชน์ ความทุกข์นี้มันไม่ได้เกิดมาเปล่าๆนะมันมีประโยชน์นะถ้าเรารู้จักใช้บางอย่างเราอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ว่าเมื่อเราเมื่อมันเกิดขึ้นเราวมองย้อนไปนี่มันมีประโยชน์นะในสาพุตตการเนี่ยมีมีเศรษฐีนีคนนึงนะชื่อนางโสนานางโสนานี่มีลูกเจ็ดคนลูกชายเจ็ดคนแล้วก็ลูกหญิงอีกเจ็ดคน ครอบครัวก็เรียกว่าร่ำรวยสะดวกสบายต่อมาสามีก็เสียชีวิตแกก็ดูแลเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะลูกก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยได้เวลาแล้วนะที่แม่จะต้องแบ่งสมบัตินะนะแม่จะจะเก็บสมบัติเอาไว้คนเดียวทําไมนะลูกก็ทวงนะทวงสมบัติจากแม่ หรือว่าลูกคิดว่าหรือแม่คิดว่าเราจะเลี้ยงแม่ไม่ได้ลูกถามนี้กับแม่แม่ก็เลยเอา้าวงั้นเจ้าอยากได้สมบัติก็แบ่งให้เจ้าสิบสี่คนก็อาหารสิบสี่นะสมบัติทั้งหมดก็แบ่งเป็นสิบสี่ส่วนเท่าเท่ากันด้วยความหวังด้วยความเชื่อว่าลูกจะเลี้ยงตัวเองนะเมื่อแบ่งสมบัติเสร็จก็ไปอยู่กับลูกชายคนโตที่แรกก็อยู่ได้สบายนะ แต่ตอนหลังลูกสะภ้ายก็เริ่มบน่นละนะที่แลกก็บน่นะแอบบ่นตอนหลังก็บ่นตอนหน้าพูดตอนหน้าเลยว่าแม่ทาไมถึงมาอยู่กับทาไมถึงมาอยู่กับเราเนะเราก็ได้ทรัพย์สมบัติเท่าๆกับคนอื่นไม่ใช่ว่าเราจะได้สมบัติมากกว่าคนอื่นแล้วทำไมต้องให้เรารับภาระเลี้ยงแม่ด้วยนะพูดกับแม่ผัวงี้นะ าโสนา ท, ทำงานก็เลยต้องไปอยู่กับลูกคนที่สองอยู่ได้สักพักนะก็โดนแบบเดียวกันเลยก็ย้ายไปอยู่กับลูกคนที่สามแล้วก็ไปอยู่ลูกจนกระท้่งไปอยู่กับลูกคนที่เจ็ดนะแล้วตหลังก็ไปอยู่ลูกคนที่แปดลูกสาวสุดท้ายเนี่ยไม่มีใครเต็มใจเลี้ยงแม่สักคนเลย ไอ้เรื่องแบบนี้นี่เราได้ยินมาบ่อยนะพ่อแม่ที่แบ่งสมบัติให้ลูกแล้วพอกลว่าลูกแทนที่จะเลี้ยงนะนะกลับหวงสมบัตินะแล้วก็ไม่อยากดูแลพ่อแม่ด้วยความเต็มใจเรื่องนี้มันไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะยุคนี้นะสมัยพุทธกาลก็มีเป็นนั้นว่านางโสนานะกลายเป็นคนตกอับจากเศรษฐีนะกลายเป็นคนตกอับไม่มีใครอยากจะเลี้ยงเลย แล้วทำงานมันไปบวช ด, ดีกว่าไปบวชเนี่ยแล้วก็ยังมีข้าวกินก็ดีกว่าขอทานนิดหน่อยนกะเธอคิดแบบนั้นแหละนางโสนนามไม่ได้บวช ด, ด้วยศรัทธาเลยนะแต่บวชเพราะไม่มีที่ไปนะมาบวชเป็นพิษุณีก็ปรากฏว่าโดนพิสุนีที่อาวุโสมากกว่าแต่ว่าอายุน้อยกว่าเนี่ยก็อใช้นะจะเรียกว่ากดขี่ก็ได้นะ ใช้แบบเรียกว่าไม่บัญญะติบัญญัติเลยเพราะถือว่าเป็นพระแก่มีพรรษาน้อยมีคนหนึ่งก็ถูกลงโทษให้ไปต้มน้ำไปต้มน้ำอุ่นเพราะจะ เ, เป็นอากาศหนาวนะไปต้มน้ำอุ่นให้ที่สุดนีรุ่นลูกันนะแต่ว่าพรรษามากกว่าเจว้วนางโสนาเนี่ยพระโสนานี่ก็เป็นคนที่เรียกว่าแม้ไม่ได้บวชในศรัทธาแต่ว่าเมื่อบวชแล้วก็ ใจิตใจก็โน้มไปในทางการปฏิบัติเรื่อยๆนะระหว่างที่อยู่ในครัวนะเพื่อที่จะต้มน้ําเนี่ยก็เห็นว่าเป็นโอกาสนะที่จะได้ปฏิบัติธรรมได้ภาวนาภระโสนานี่ก็ได้เรียนรู้เรื่องกายคตาสติกายคตาสติคือการพิจารณาอาการ32ของร่างกายผมขนหนังฟันเล็กเนี่ยนะที่เราสวดกันเนี่ย เกศาโลมานะขาทันตาตโจนั่นก็พิจารณานั้นระหว่างที่พิจารณาก็เดินจงกรมไปด้วยเดินรอบเสานะเดินรอบเสาแล้วก็เดินจงกรมพิจารณาอาการสามสิบสองบอกว่าพิจารณาไปนี่จิตก็สงบสุดท้ายก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยนะถ้าจะมีพระอรหันต์ที่บรรลุธรรมในครัวนี่ก็องค์นี้แหละพระโสนานาครัวนี้ก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้นะ อันนี้ก็เป็นข่าวดีนะของแม่ชีหรือคารวาชิในครัวเนี่ยสามารถจำบรรลุธรรมได้อาการสามสิสองเนี่ยปกติเนี่ยเป็นการพิจารณาความงดงามของร่างกายมันก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเป็นสมถะภาวานาสมถะกรรมฐานนะคือเมื่อเห็นความงดงามของร่างกายไอราคะมันก็เบาบางหรือว่าความหลงความลหลงไหลในร่างกายก็เบาบางทําให้จิตสงบไม่มีราคะไปกระตุ้น แต่ว่าถ้าพิจารณาดีๆมันก็ทําให้เห็นถึงอนัตตลักษณะได้คือเห็นถึงความเป็นอนัตตาว่ามันไม่มีตัวตนนะสิ่งที่เราตัวเรานี่มันไม่มีเลยนะมันมีแต่ตัวเราสิ่งที่เราตัวเรามันเป็นเพียงแค่สมมุติที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆที่มารวมกันนะสิ่งสิ่งที่ว่านี่คืออวัยวะต่างๆสาสบสทั้งของเหลวของแข็ง ร่างกายของเราที่เราคือเป็นตัวเราเนี่ยพอแยกไปสีละส่วนทีละส่วนเอาเอาผมเอาขนหนังฟันเล็บเอาปอดเอาหัวใจเอาเลือดเอาน้ำเหลืองเอาเจอล์ปสวะออกก็ไม่เหลืออะไรเลยก็คืออนัตตาคือไม่มีใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนท้าพิจารณาเช้นนี้เนี่ยนะก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ถ้ามองถ้ามอนในแง่นี้เนี่ยนะ ไอการที่ลูกไม่เลี้ยงการที่ลูกขับไล่เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อดีนะถ้าหากว่าลูกเลี้ยงนี่นะก็ก็คงจะไม่สนใจที่จะบวชแต่ว่าเพราะได้ลูกที่อกตันอยู่ลูกที่ไม่มีความกตัญญูรู้คุณขับไล่แม่เนี่ยก็ทำให้ท่านได้มีโอกาสปฏิบัติจนบรรลุธรรมไดนะ้เพราะนั้นในการที่ เจอลูกอกตันยูแบบนี้หรือว่าถูกลูกขับไล่นี่นะมันก็ถือว่าเป็นของดีเหมือนกันนะเป็นข้อดีอะไรที่เกิดขึ้นกับเราที่เราคิดว่ามันแย่เนี่ยลองมองให้ดีๆนะมันมีข้อดีอยู่นะอยู่ที่ว่าเราจะมองเป็นหรือเปล่าแล้วอยู่ที่ว่าเราจะใช้เป็นหรือเปล่านะโอ้มีเยอะเลยนะนางนางกีสาก็จะมีเสียลูกไป ถ้าไม่เสียลูกก็ไม่บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วก็เป็นพระอรหันต์ในที่สุดเพราะว่าพอเสียลูกนี่แหละจึงทําให้ต้องมาหาพระเจ้าพอเชื่อพระเจ้านจะชุบชีวิตของลูกนางให้ฟืน้นขึ้นมาได้ไม่ได้รู้เรื่องเลยเรื่องธรรมะทั้งที่เป็นคนฉลาดแต่ว่าหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นก็เริ่มเข้าใจเรื่องความตายว่าเกิดขึ้นกับทุกคนสุดท้ายนะพอได้ฟังธรรมของพระเจ้า ก็บรรลุธรรมเป็นพระสสดาบันนางปตาจาราก็เช่นเดียวกันเสียหนักมากทั้งผัวลูกสองคนทั้งพ่อแม่ทรัพสมบัติถูกเผาในกรองเพลิงจากคนรวยกลายเป็นคนที่สิ้นไร้ไม้ตอบกลายเป็นคนที่คุ้มครั่งไม่มีสติเลยก็ว่าได้จตสุดท้ายนะก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระสวัสดิบันแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์ในที่สุดท่านเหล่านี้เนี่ยนะถ้าชีวิตท่านราบรื่นปกตินะ ก็คงจะยังวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏยังอยู่ในความทุกข์แต่ว่าพอเจอทุกข์นั่นแหละมันถึงผลักให้ท่านเข้าไปหาธรรมนะหรืออย่างที่ท่านอย่างที่อาจารย์สุรินทร์พูดเมื่อเช้าสันตติอัมมาดนะถ้าหากว่าหญิงคนรักหญิงคนโปรดไม่ตายต่อหน้าต่อตาเพราะว่าฟ้อนรำเจ็ดวันเจดคืนเนี่ยก็คงไม่สั่งมาคงไม่เสียใจ และถ้าไม่เสียใจคงจะไม่ไปหาพระเจ้าและถ้าไม่ไปหาพระเจ้าก็คงจะไม่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความทุกข์หรือว่าเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะมองดูดีๆ น, นะมันมีประโยชน์มีข้อดีนะนอกจากเราจะต้องรู้จักตวาดความทุกข์แล้วเนี่ยเราต้องรู้จักใช้ความทุกข์ให้เป็นประโยชน์หรือลองมองมันในแง่ที่ว่าไม่มีอะไรนะ ที่ไม่มีประโยชน์นะมีบางคนพูดว่าเนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราดีทั้งนั้นนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราดีทั้งนั้นแต่ที่เราทุกเพรเรามองไม่เห็นว่ามันดีอย่างไรนะแต่ถ้าดูดีๆมันดีทั้งนั้นเคยเล่าถึงคุณลุงคนหนึ่งชาวอังกฤษนะที่เดินอยู่ดีๆบนท้องถนนหน้าบ้านอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงเข้ามาผลักข้างหลังแล้วก็ พอแกลม้มผู้หญิงก็เอามีดจ้วงแทงตามลาตัวตามมือตามขาโดนไปสี่สิบแผลนะแล้วก็ถูกทิ้งให้นอนจมกองเลือดแต่ไม่ตายนะเพราะมีคนมาช่วยไว้โชคดีนะเพราะว่าสองคนก่อนนั้ น, น, นตายโดยนั่งมือผู้หญิงคนเดียวกันมีคนพาไปโรงพยาบาลช่วยได้ทันหลดตาย ผู้สื่อขาก็ไปสัมภาษณ์แกไม่โกรธเลยนะไม่โกรธผู้หญิงเลยเพียงแต่สงสัยว่าทำกับแกอย่างนี้ทําไมเพราะไม่รู้จักกันเลยแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยเหตุการณ์ครั้งนี้มันทําให้แกได้คิดนะว่าเช้าวันหนึ่งผมตื่นขึ้นมาเดินไป บ, บ, บนถนนก็อาจจะโดนรถเมล์แล่นทับตายก็ได้เราไม่มีทางรู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ย จะต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดทุกวันหรือทำทุกวันให้ดีที่สุดหเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับแกมันทำให้แกเกิดความไม่ประมาทในชีวิตนะแทนที่แกจะมานั่งคร่ำครวญเสียใจว่าทำไมเราซวยแบบนี้นะทำไมเราเจอเคลอดต้องไปลดน้ำมนต์ดีกว่าแกกลับได้สิ่งที่ประเสริฐกว่าน้ำมนต์นะคือความไม่ประมาททำไม่ได้เห็นอันนี้จังเนะีไม่เห็นว่าชีวิตนี่มันไม่จีรังอะไรเกิดขึ้นก็ได้ทั้งนั้นก็กลายเป็นของดีไปนะ ทำให้แกพยายามที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าทุกวันนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราดีทั้งนั้นนะอยู่ที่ว่าเราจะมองหรือเปล่าไม่แต่สิ่งที่แย่ๆหรือถ้ามองไม่ออกนวนะก็ให้มองว่าดีที่มันไม่แย่ไปกว่า น, นีนะ้ดีที่ไม่แย่ไปกว่า น, นี้หรือดีที่ยังไม่ตายนะสมัยหนึ่งในสาวพฤกกาลพระปุณณนะ มาปฏิบัติกับพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็จะขอลาพระเจ้าไปเมืองสุนารันตะสุนารันตะก็เป็นเมืองเป็นบ้านเกิดนะของพระปุณณนะพระพุทธเจ้าก็ท้วงพระปุณณะว่าก็ไม่เชิงท้วงแต่พูดเตือนว่าคนสุนาปันตานี่ดุร้ายนะเขาไม่สนใจพุทธศาสนาเลยนะเป็นคนไม่มีศาสนา ก, ก็ว่าได้ถ้าเขาด่า ว, ว่าท่านท่านจะคิดอย่างไรพระปุณณะก็ตอบว่าเขาด่า ว, ว่า ก็ดีที่ถ้าเขาด่าว่าก็ดีที่เขาไม่ทุบตีแล้วถ้าเขาทุบตีท่านล่ะเขาทุบตีก็ดีที่เขาไม่เอาก้อนหินมาคว้างแล้วถ้าเขาก้อนหินมาคว้างล่ะท่านจะคิดอย่างไรเขาเอาก้อนหินมาคว้างก็ดีที่เขาไม่เอาไม้มาฟาดนี่พระปุณณะตอบภูเจ้าก็ตอบถามตอบไปแล้วถ้าเข้าไม้มาฟาดท่านจะคิดอย่างไรก็ไม้มาฟาดก็ดีที่เขาแมวของแหลมาแทง แล้วถ้าของแหลวมาแทงนะ่ะแลของแหลวมาแทงก็ดีที่เขาไม่เอามีดมาฆ่าให้ตายแล้วเขาฆ่าท่านให้ตายเละท่านจะว่าอย่างไรพระคุณนกยังตอบว่าดีนะแล้วบอกว่าเนี่ยคนบางคนอยากตายก็ต้องไปหามีดหาสัตว์ตรามาหรือไม่ก็ต้องไปจ้างคนมาฆ่าแต่ถ้ามีคนมาฆ่าพงก็ดีนะคือไม่เหนื่อยนะคือท่านมองว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับท่านเนี่ยมันดีทั้งนั้น ดียังไงดีที่ไม่แย่ไปกว่า น, นี้นะพระเจ้า ก, ก็เลยอนุญาตให้พระปุณณะกลับไปสุนปันตะาอกว่าท่านก็สามารถที่จะชนะใจชาวสุนปันตะได้นะทำให้คนหลังนั้นถันมาสมาธานาพระสมาสมาทานศีลแล้วก็ศรัทธานในพระตนตรยัยตอนหลังพระปุณนะก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อันนี้ที่เขาบอกว่ า, วาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยดีทั้งนั้นนะ แม้แต่ความเจ็บความป่วยนะมันก็ดีนะอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่าถ้าเรามองไม่เห็นเราก็จะทุกโวยวายตีโพยตีพายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเจอทุกเนี่ยนะอย่างน้อยเราควรจะทำสองอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งนะก็คือตวาดความทุกข์ว่ากูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์โวยหรือว่าก็ลองมองดูว่าเอ๊ะมันมีอะไรดีหรือเปล่านะ เราจะได้ประโยชน์จากมันยังไงบ้างจากความทุกข์จากเหตุร้ที่เกิดขึ้นนะันเนี้ยคือสิ่งที่เราสามารถจะทำได้เลยหรือว่าถ้าฉลาดก่อนนั้นก็คือพิจารณาทุกดูทุกนะดูทุกให้เห็นทุกอย่างที่ได้พูดไป 2-3 สวันก่อนว่าที่หลวงพ่อคามเขียนท่านบอกว่านีถูกด่าว่าก็เห็นสัจธรรมได้หรือว่ามีความทุกข์ก็เห็นสัจธรรมไดนะ้ถ้าตั้งสตนะิก็จะเห็นทุก เราก็จะเห็นโลกธรรมเห็นสัจธรรมเห็นโลกธรรมว่ามันเป็นอย่างนั้นเองเห็นทุกข์คืออริยสัจข้อแรกหรือว่าเห็นสมุทยัยคืออริยสัจข้อที่สองแล้วถ้าเห็อริยสัจข้อที่2แล้วเนี่ยอริยสัจข้ออื่นก็จะตามมาเองอันนี้ก็ต้องอาศัยคนที่มีสติหน่อยนะแต่ที่จริงสติก็สําคัญนะสำหรับสองข้อแรกเหมือนกันนะคือตวาดความทุกข์นะ ถ้าไม่มีสตินีนึกไม่ออกหรอกคาตาตรวาดความทุกข์ละหถ้าไม่มีสตินี่มันก็นึกไม่ออกหรอว่าไอสิ่งที่เกิดขึ้นแย่ๆนี่มันจะมีอะไรดีบ้างนะก็ะคานี้ก็พูดทันทีนะเอากลับัาพร้อมกัน